Thank mm -hmm. you. ใครเลยทำฉันเป็นได้อย่างนี้วันคืนที่น่าเบื่อมีชีวิตกันทันทีแค่มีเธอเข้ามาแค่นี้ก็รู้ว่าเธอคือพรุงนี้ที่ฉันรอ แววตาที่เธอมองทำหัวใจฉันสั่นไว้แค่คำเธอเมตตาทำฉันเพ้อลอยหลุดไปทุกครั้งที่ต้องลาทำใจฉันวุ่นว้ให้ถึงพรุ่งนี้เลยได้ไหมฟืนฉันฟืนไม่ทันแล้ว สารภาพอยูน่นวแต่ต้องพูดว่าอะไรฉันก็ไม่รู้ใช่ ฉันเลือกที่จะเก็บแทนที่เจอผู้เราไปฉันเลือกที่จะปิดดีกว่าเห็นเธอเปลี่ยนไปความจริงที่ซ่อนอยู่รู้ไม่อยากเท่าไรที่ต้องเก็บไว้แค่คนดี เป็นที่เราต้องเข้าใจรู้แค่เิียงมันโคตรดีเสร็จเลยอยากเจอรักภาพอยู่นะ said.